ของกาศสาหธตันิกยก้งเจริญพรพวกเราหลงพ่อมานานา ง, งยังได้มาเทศแถวนี้สักครั้งงอันนี้ออกจากวัดมาแต่ตีสี่นะเพิ่งถึง <c oughs> เงนี่ยโยมก็จะนิมนบอกให้นั่งพักก่อนไได้เนะยโยมที่นี่รออยู่นะ ธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะรอเวลาได้เพราะชีวิตเราเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วเลยอย่างเด็กๆไม่รู้สึกนะพออายุเยอะขึ้นนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยแวบบเดียวชีวิตของคนเราโดยเฉลีย่ยประมาณสามหมื่นวันแค่นั้นนะสามหมื่นวันประมาณเจ็ดสิบห้าปีไม่มากไม่น้อยกว่านั้นเท่าไหรนะ่ นี่ถ้าเราจะใช้เวลาที่จำกัดนี่อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดคนเราควรจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไม่ใช่มีชีวิตที่จมอยู่กับความสุขตลอดเวลาสาม0มื่นวันนี่ถ้าเราทบทวนดูให้ดีมันมีวันเวลาที่เรามีความสุขสักกี่วันวันเวลาที่ชีวิตเผชิญปัญหานะเผชิญความทุกข์เนี่ยเยอะหรือเกิด นย่างคนนคนสวัสด์ใชน้ำท่วมต้องเป็นเดือนๆนชีวิตไม่มีความสุขหรอกแป๊บเดียวก็แก่แป๊บเดียวก็เจ็บแป๊บเดียวก็ตายเดี๋ยวเราก็พลาดพลาดจากคนที่เรารักเดี๋ยวเราก็เจอสิ่งที่เราไม่รักเดี๋ยวเราก็ผิดหวังในชีวิตนี่เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์นาน า, นานชนิดถ้าเราไม่สามารถ บริหารจัดการจิตใจของเราให้ดีเราจะมีชีวิตแบบไม่คุ้มค่าเลยว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายกีหลวงพ่อได้ยินแว้บๆว่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเป็นมนุษย์แล้วนะทำไมจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปหรอถ้าเรา ไม่มีบุญวาสนาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จำเป็นหรอกเราต้องเรียนว่า ย, ยู่ในความทุกข์เรื่อยไปจากการที่เรามันมีโอกาสอันดีบุญกุศล ส, ส่งมาไม่ได้เป็นมนุษย์เฉยๆหรอกอย่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะถ้าเราใช้โอกาสที่เรามีมากกว่าคนทั่วโลกนะคนในโลกให้มีคนสักกี่คนที่เขาได้ฟังธรรมะก็ทั่งคนนะักพรสวรรค์นนะ ที่มาที่นี่กับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยเทียบส่วนกันไม่ได้พวกเราถือว่าเรามีบุญวาสนาเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเรายังจะสนใจธรรมะด้วยนอกจากธรรมะแล้วไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ชีวิตเรามันเต็มมันอิ่มชีวิตคนในโลกมีแต่ความพร่องขาดอยู่ตลอดเวลาหิวอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลาอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนทางไวนะ้เนี่ยเป็นเครื่อง ลดความทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้อาัศาจรรย์ใช้คาว่าอัศาจรรย์ที่สุดเลยไม่ใช่ปาฏิหาริย์เป็นเรื่องนึกไม่ถึงว่าวิธีการที่จะปลดปล่อยจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์นี่มีอยู่คนที่มีโอกาสฟังมีไม่มากคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะปลดปล่อยจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง แั้นพวกเรามาเรียนวิธีนะมาทํำยังไงใจเราจะพ้นทุกเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตอยู่หนึ่งวันก็มีความสุขทั้งหนึ่งวันนะมีชีวิตปีหนึ่งก็มีความสุขอีกปีหนึ่งอยู่ได้อีกสามสิบสี่สิบปีก็มีความสุขอีกสามสิบสี่สิบปีเป็นชีวิตที่ไม่ขัดทุนชีวิตที่จมความสุขไปเรื่อยๆนั้นขัดทุนนะเราลองทบทวนชีวิตเราตั้งแต่เด็กมาเราผ่านความทุกข์มาเท่าไหร่แล้ว เยอะแยะนะแต่เราแกล้งลืมเวลาความสุขนะั้นเราก็ฝันฝันไปลองนึกทบทวนไปดูสิ่งที่เรานึกว่าความสุขที่สุดในชีวิตเรามันแค่ไหนกันมันก็แค่นั้นแหละก็ะคือมันมาแล้วมันก็ไปหมดเลยวันนี้เรามาเรียนเราจะจัดการกับจิตใจของเราอย่างไงให้มันพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นหลักปฏิบัติซึ่ง เราต้องลงมือทาจริงๆถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราไม่เอาไปทำนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาไปอยู่บ้านไปทำมาหากินยังได้สตังเราเสียเวลาแล้วเราต้องหาให้คุ้มนะวันนี้ตั้งใจเรียนทั้งใจฟังการที่เราจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ได้เราต้องรู้ก่อนความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจเราได้ยังไงคนอื่นทำให้เราทุกข์ไม่ได้ ใจของเราถึงไม่ฉลาดนะทำความทุกข์ให้ตัวเองคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่สร้างความทุกข์ให้เราไม่ได้อย่างมีแฟนแฟนทิ้งอกหักนะเป็นปัญหาชีวิตใช่ไหมตกงานเป็นปัญหาชีวิตน้าท่วมบ้านเป็นปัญหาชีวิตเจ็บป่วยเป็นปัญหาชีวิตมันกระทบเข้ามาได้อย่างมากก็กระทบที่ร่างกายจิตใจที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วนะปัญหาท่าไหร่มันเข้ามาไม่ถึงใจ อย่างเราเราอดข้าวเราไม่มีข้าวกินตัวที่เดือดร้อนในะร่างกายร่างกายต้องการกินข้าวต้องการบ้านอยู่ต้องการน่นต้องการนี่จิตใจมันไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยเราสามารถที่จะอยู่กับโลกนะอยู่กับชีวิตท่ามกลางปัญหานานาชนิดท่ามกลางความทุกขนะ์ทางร่างกายโดยที่ใจเราไม่ทุกข์ใดนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะ ที่ว่าพ้ทุกพ้นทุกเน่ยนะมันสองขั้นตอนขั้นตอนแรกนะเราฝึกฝนใจจนบนรรลุพระอรหันต์ไม่ยากนะฝึกไปจนบนรรลุพระอรหันต์เนี่ยเราจะพ้นทุกทางใจก่อนแต่ความทุกทางร่างกายยังมีอยู่เงินพระอรหันต์ยังมีความทุกทางร่างกายขนาดพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะท่านก็เจ็บป่วยถ่ายเป็นโลหิตถ่ายเป็นเลือดนะท่านยังทำกรรมของท่านไให้ท่านองรับผลกรรม ดีไม่รอดเลยแต่ทางจิตใจนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะสิ่งแวดล้อมจะเสียหายบ้านช่องจะพังคนรักจะทิ้งพ่อแม่ที่รักของเราตายลูกของเราตายสามีนอกใจประหาอนาจีนที่นั่นถ้าเราฝึกจิตดีแล้วไม่ทุกข์หรอกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจเราสังเกตลงไปเลยความทุกข์ม่เข้ามาสู่ใจของเราได้ยังไง ถ้าเราอยากเมื่อไหร่เราก็ทุกเมื่อนั้นเลยสังเกต ด, ดูให้ดีนะถ้าเราอยากเมื่อไร่เราทุกเมื่อนั้นอันนี้เป็นธรรมะขั้นกลางนะถ้าขั้นสูงแเรวก็มีแค่มีกายมีใจก็ทุกข์แล้วมีขันธ์ก็ทุกข์แล้วอันนั้นไม่ใช่ค้นที่เราจะเรียกจะต่อเอาไว้ก่อนไปเรียนทีหลังขั้นนี้เรามาสังเกต ด, ดูถ้าเมื่อไหรใจเราอยากใจเราจะทุกข์มีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ ไม่มีความอยากไม่ Pop mind, Life, ไมีความย well ึดก็ไม่มีความทุกข์ทางใจนะแต่ทางกายมีสังเกตดูคนในโลกนะเขาไม่เข้าใจตรงนี้เลยเขาจะไม่รู้เลยว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์ก็จะรู้สึกแค่ว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะมีความทุกข์รู้สึกไหมเรารู้สึกไหมถ้าเราอยากอะไรแล้วเราก็สมอยากเรามีความสุขแต่ถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะมีความทุกข์ เรายังไม่เห็นด้วยซ้าไปว่าถ้ามีความอยากแล้วจะมีความทุกข์สติปัญญาของคนทั่วๆไปนั้นเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราถึงจะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขนี่เราลงมาเรียนว่าจริงหรือไม่จริงวิธีที่จะมาเรียนนะเรามาหัดรู้จิตใจของเราเองให้ดีทุกคราวที่ใจเราเกิดความอยากใจจะเกิดความทุกข์สังเกตให้ดีนะไปหัดสังเกตใจของเราเอง ก า, ารหัสังเกตใจตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรใครๆก็ทําได้แต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือละเลยที่จะทำํำหลวงพ่อไปเทศที่เชียงรายเกเชียงรายเด็กห้าขวบหนึ่งห้าขวบเนะไปส่งกันบ้านแต่ไม่ได้ส่งกับหลวงพ่อหลวงพ่อกลับไปแล้วก็ส่กับลกูกศิษย์หลวงพ่ออีกทีไปเล่าให้คนที่ช่วยหลวงพ่อสอนฟังบอกเขาเห็นความโกรธนะแต่ความโกรธมันอยู่แว บ, บเดียวเด็กห้าขวบนะ ความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเขาเห็นปุ๊บมันขาดไปเลยแล้วความโกรธนะั้นมันอยู่แบบเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมกระทั่งเด็กห้าขวบมันก็ดูเป็นการที่เราจะคอยรู้เท่าทันใจของเราจนเราเห็นความจริงนะว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นก็มีความทุกข์เืิองต้นไม่มีอะไรยากหรอกเราคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆใจเรามีความสุขขึ้นมาเราคอยรู้ทันใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราคอยรู้ทัน ใจเราเฉยๆเราก็รู้ทันใจเราโลภขึ้นมาเราก็รู้ใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ใจมันลอยไปฟุ้งซ่านไปก็รู้ทันใจหัวหูก็รู้ทันนะดีใจก็รู้ทันเสียใจก็รู้ทันความรู้สึกทุกชนิดในใจของเราเนี่ยเรารู้ได้ทุกคนใครไม่รู้จักโกรธมีไหมมีไหมในห้องนี้ใครไม่รู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงรู้จักทุกคนใช่ไหม ใครรู้ัหมว่าความโลกเป็นยังไงใครรู้ลองยกมือซิว่าโลกเป็นยังไงรู้จักไหมเนี่ยนอกนั้นมือพิการนี่จริงเรารู้จักอยู่ตลอดนะโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมโลภเรารู้จักหลงเราก็รู้จักอิจฉาเป็นไหมไม้จักไหมผู้ชายเคยอิจฉาไหมถามผู้ชายมีไหยอิจฉามันหลอกเราเราก็อิจฉามันอะไรนี่ธรรมดาโลวพ่อก็เคยเป็นนะ เรื่องธรรมดามันมีแฟนสวยแล้ว อ, อ, อิจฉามันกลัวเป็นไหมรู้จักกลัวไหมที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีสิ่งที่น่ากลัวของคนในเมืองเขากลัวมากนะล่ำลื อ, ลลอกลัวทุกแกฟังแล้วน่าสงสารเนาะบางคนนะเจอตุกแกเ็ราน้ำลายไหลาบางคนเจอตุกแกกลัวทุกคนรู้จักความกลัวนะเกลียดเป็นแม่เกลียด เกย์ก็เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ยากอะไรหรอกที่เราจะรู้แต่เราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองมีความสุขรู้จักความสุขไหมรู้จักทุกไหมรู้จักกลุ้มใจไหมรู้จักกังวลไหมกลุ้มกับกังวลเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันรู้จักคําว่าเกลียดใจไหมเกลียดใจมีความรู้สึกไหมเกลียดใจพยาบาทอาฆาต ไม่นานๆชนิดเลยนะหลวงพ่อเคยรวบรวมไม่ได้สองร้อยกว่าคํานี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเข้าไปรวมได้สามร้อยกว่าคําบรรพบุพ ร, รุษคนไทยเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะในการที่จะแยกแยะความรู้สึกไปได้ละเอียดยิบเลยความรู้สึกละเอียดยิบเลยเซงเซงกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะขับข้องใจนะขับแค้นเหมือนไหมกับขับคล้อง ไม่เหมือนกันเนี่่ความรู้สึกนะคนโบราณเก่งนะแยกแยะความรู้สึกเอาไ้ได้ละเอียดยิบเป็นหมดเลยเรารุ้นลูกรุ่นหลานนะเราความรู้สึกมันดื้อด้านขึ้นเลยคุไม่รู้รู้จักน้อยลงน้อยลงหลวงพ่อเคยรับราชการเคยถามเด็กคนนึงเด็กกิมพดีนะเด็กคนนี้ก็ e n เนสอัจฉริยะมากเลยสมัยนั้นเครื่องแฟกเข้ามาใหม่ๆ หัวหน้ากองก็ใช้ให้ไปส่งแผ่ไปส่งไปสภาพัฒแล้วปรเดี๋ยวมก็มารายงานว่ายังส่งไม่ได้หัวหน้าก็สั่งไปส่งอีกก็ส่งไม่ได้นะึงทางสภาพัฒโทรมาว่าส่งมาทําไมหลายแผน่นเด็กมันก็เถียงยังไม่ไปเลยยังอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> กระดาษเนี้ยมันยังไม่ไป้ <c oughs> เด็กคนนี้นะมชอบฟังเพลง เราก็ถามว่าเพลงนี้เพราะไหมตอบว่าไงนะสนุกค่ะมันไม่รู้จักคำว่าเพราะเพลงนี้เพราะไหมคลาสสิกไหมไม่รู้จักรู้จักคำแต่คำว่าสนุกเพลงนี้ดีไหมไม่สนุกในความรู้สึกแคบมากเลยเหลือแต่สนุกกับไม่สนุกนะและคนโบราณเนี่ยเขารู้จักความรู้สึกที่ถี่ยิบเลยไละเหอียดยิบเลยเกรงใจงเ้ยว่าโหไปแปลเป็นภาษาฝรั่งมันวุแปลยังไงเนาะแปลยากนะ หยิจชาพยาบาทกลุ้มใจอย่างเงี้ยงั้นเรารู้จักความรู้สึกทุกชนิดเนยได้อยู่แล้วต่อไปนี้ง่ายๆเลยในใจของเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปในใจเรามีความสุขรู้ว่ากำลังมีความสุขในใจมีความทุกรู้ว่ามีความทุกในใจมีศรัทธาอยากฟังธรรมรู้ว่ามีศรัทธา ในใจขยันอยากปฏิบัติแล้วพยายามปฏิบัติรู้ว่าเกิดความขยันหมั่นเพียรจะปฏิบัติเกิดขี้เกียจก็รู้ทันเกิดโลภก็รู้ทันเกิดโกรธก็รู้ทันเกิดหลงไปใจลอยก็รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้ทันหดหูก็รู้ทันลังเลใจก็รู้ทันให้คอยรู้ทันความรู้สึกนานาชนิดนะที่มันเกิดขึ้นในใจเราหัดรู้บ่อย ไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีเอาพิเศษอะไรไม่ใช่รู้เพื่อเอาความดีความสุขความสงบนะการปฏิบัติธรรมนั้นมันมีสองขั้นตอนขั้นแรกทําไปเพื่อความสุขความสงบเรียกว่าทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นทําให้ก็ดีมีประโยชน์จิตใจสบายมันมีกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานทาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนี่เราจะมาหัดให้เห็นตัวนี้ให้ได้นะ นะครับอ่าความโกรธเกิดขึ้นในใจเราก็รู้กําลังกโกรธอยู่เราจะเห็นเลยว่าอยู่ชั่วคราวเราก็หายไปความโลภเกิดขึ้นในความอยากเกิดขึ้นใน ใ, นใจเราเรารู้ทันว่าใจกําลังอยากนะความอยากจะหายไปหายเองนะความฟุง้งซ่านเกิดเรารู้ทันว่าจิตกําลังฟุง้งซ่านจิตจะสงบเองจิตหดหูรู้ว่าหดหูนะความหดหูก็ดับไปจิตมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความสุข ดับบ้างไม่ดับบ้างเพราะความสุขเนี่ยเกิดกากจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดจากจิตที่เป็นอกุศลก็ได้อย่างพวกเราเรามาฟังธรรมเรามีความสุขเนียเรารู้ว่าจิตใจเรามีความสุขมันไม่จําเป็นต้องหายทันทีมันไม่เหมกิเลสนะถ้ากิเลสเนี่ยเรามีสติรู้ทันปั๊บเดียวนะมันจะดับของมันเองเลยอัตโนมัติเองอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับทําไม่ดับบางทีดับไปเลย ถ้าความสุขไหนเกิดจากกิเลสเกิดจากโลภะเกิดจากกิเลสความโลภเนี่ยเวลาเปิดความโลภขึ wood, ้นมาเนี Von ่ยในใจเราจะมีความรู้สึก2อย่างเท่านั้นไม่มีความสุขก็เฉยๆเวลาเกิดความโลภนะแต่เวลาใจที่เกิดความโกรธเนี่ยจะมีความรู้สึกอันเดียวก็คือเกิดโทสะจะไม่ชอบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นนะ เนี่ยเราจะค่อยๆหัดค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปมันจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความโลภมาแล้วความโลภก็ไปความโกรธมาแล้วความโกรธก็ไปความหลงมาแล้วความหลงก็ไปนะดีใจมาแล้วที่ความดีใจก็ไปความเสียใจมาความเสียใจก็ไปใครเคยอกหักไหมห้องนี้มีไหมยกมือให้ดูหน่อยเนี่ยมีหลายคนนะอกหัก บางคนก็สมควรโ อ, อหักหรอกดูๆบางคนไม่น่าจะโออกหักก็โกหักกับเขาด้วยนะตอนโ อ, อหักนึกได้ไหมมันทุกข์มันทุกข์กเยอะนะนี่โ อ, อหักครั้งแรกทุกข์มากนะครั้งที่ยี่สิบเฉยๆนะมันดือ้อมันดือ้อนะเวลาที่เรามีความทุกข์มากๆเราเหมือนกขาให้ชีวิตเนี่ไม่เปลี่ยนนะนี่จะคงจะทุกข์อย่างนี้ไปทั้งชาตินะนี่พวกเด็กๆนี้่มีความรักแบบเด็กๆนะเรียก p o p p y love นะ มีความรักหวานแหววแต่รักแบบเด็กๆหือหวาน้าเจอคนอื่นก็ไปรักคนอื่นต่อกระทั่งความทุกจากการอกหักนะมันอยู่ก็อยู่ไม่นานหรอกมันก็ต้องหายไม่มีใครทุกข์ทั้งชาติหรอกใครเคยพ่อแม่เสียไปแล้วมีไหนะเสียใจไมนนั้นเสียใจแล้วหายไหมหายไม่มีนะความทุกข์ถาบอนไม่มีความสุขถาบอนก็ไม่มี เนี่ถ้าเราหัดมันรู้ทันใจของเราไปเรืยสุดท้ายเราจะสรุปได้ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็เป็นของชั่วคราวอากุศลคือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของชั่วคราวให้ดูบ่อยๆนคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆไว้เป็นกรรมฐานที่แสนจะง่ายเลยไม่ต้องนั่งสมาธิโยอเลยนะก็กรรมกรรมฐานเนี่ยมันมีสองทาง ทางหนึ่งเหมาะสําหรับเรียกหมาสําหรับวิปัสสนาญาณิกทางหนึ่งเหมาะกับสมถะญาณิกสมถะญานิกเหมยายพวกต้องไปเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานแล้วออกจากฌานมามาเจริญปัญญามาเจริญปัญญาด้วยการดูกายนะกายเนี่ยเหมาะดูร่างกายนี่เหมาะสาหรับพวกที่เข้าฌานเพราะถ้าออกจากฌานมาจิตจะนิ่งๆดูดูจิตเจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งอย่างเดียวเลยสำหรับการดูจิต ด, ดูใจเนี่ยมันเหมาะกับพวกมีปัสสนาญาณิก แต่พวกที่เดินัญญาเป็นหลักความสงบเป็นตัวประกอบเนี่ยคนส่วนใหญ่ในยุคของเราเนี่ยเป็นพวกนักคิดวันวันหนึ่งคิดมากใครรู้สึกตัวว่าคิดมากบ้างมีไหมยกมือให้ดูด้วยกคิดมากโอ้คิดมากเยอะนะถามเรื่องอื่นมีน้อยมาถามคิดมากนี่เยอะเลยใครวันวันหนึ่งไม่คิดอะไรเลยมีไหมมีมีโต๊เนี่มันไม่คิดอะไรเลยมีต้นไม้มีก้อนหินมันไม่คิดอะไรคนไม่คิดทั้งวัน แต่คนยกเราเนี้ยคิดหนักคิดเรื่องเรียนใช่ไหมคิดเรื่องทํามาหากินคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องการงานคิดสารพัดจะคิดเลยคนที่คิดมากเนี้ยใจจะกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้หมุนจี๋จีอยู่ทั้งวันเลยการที่เราคอยมารู้ทันใจนะมันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมันสุขว่างมันทุกข์ว่างมันดีบ้างมันร้ายบ้างเราคอยรู้ไปด้วยเราก็จะเห็นนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิด มันจะเห็นในความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวแล้วทั้งความอยากที่หลวงพ่งพูดทีแรกความอยากเกิดขึ้นความอยากก็เป็นของชั่วคราวนะแต่ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นสังเกตดูที่ใจเลถ้าเราดูจิต ด, ดูใจชำนาญทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะใจมัจะถูกปีบขันมันจะถูกเค้นนะมันไม่ได้สบายจริง่ะ เวลาที่เราอยากมีความอยากขึ้นมาจะสมอยากหรือไม่สมอยากเรายังไม่รู้ในขณะนั้นรู้สึกไหมมีความสุขไหมอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งจะซื้อได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยเงินมีหรือไม่มียังไม่รู้เลยทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดแหละเนี่ยหัดดูของจริงในใจเราไม่ใช่ว่าต้องผิดหวังถึงจะทุกข์นะแค่ความอยากเกิดก็ทุกข์แล้วแหละนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูในใจของเรานะความอยากเกิดทีไรก็ทุกข์ทุกที สภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปาการเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําลายความอยากการที่เราคอยดูจิตโดยใจได้ๆนะเราจะพบว่าทุกคราวที่จิตใจมีความอยากจิตใจจะถูกบีบคั้นจิตใจจะมีความทุกข์อย่างเราจะอยากจีบสาวสักคนนะถ้าไม่ได้คิดจะจีบเล่นๆนะคิดจะจีบจริงๆอยากได้ตัวมาอยู่บ้านเราแค่แค่อยากได้มาใจเป็นทุกข์แล้วนะนะเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลย จะหลอกเขาอีท่าไหนพูดดีๆโหไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่าเงี้ยทันทีที่ความอยากเกิดก็ทุกข์แล้วนี่วิธีทํำลายความอยากนั่นก็ใช้วิธีรู้ทันที่จิตตอนนี้นะ่ะความอยากมันเกิดเรารู้ทันมันนะรู้ทันไปความอยากมันจะหายอัตโนมัตินะความอยากเป็นกิเลสมันเป็นความโลภชนิดหนึ่งความโลภที่รุนแรงกลายเป็นความอยากอยากได้นี่นี่หน่อยๆก็ยังไม่ได้ยึดเข้ามานะ ทีแรกมันก็โกรคพอความโลครุนแรงมันก็กลายเป็นตัญหาเป็นความอยากถ้าความอยากรุนแรงกลายเป็นอุปาทานความยึดถือนะตัวความยึดเองก็คือตัวโลภะเหมือนกันแต่ดีกรีมันเข้มข้นกว่ากันมันเข้าไปอยากมันเข้าไปยึดเพราะอะไรก็รมันไม่เห็นความจริงมันเที่ยวไปอยากเที่ยวไปยึดในสิ่งต่างๆนะเพราะคิดว่าสิ่งต่างๆนะัจะนําความสุขมาใหนะ้หรือว่าได้สิ่งนี้มาแล้วจะพ้นจากความทุกข์ไป ใจมีการคิดอย่างนีไ้ได้แต่ถ้าเรามาดูในใจของเรา <Thursday> เราจะเห็นเลยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็เป็นของชั่วคราวอกุศลก็เป็นของชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ความอยากจะหายพี่เองมิติละความอยากได้มี2แบบนะแบบที่1รึ่ด้วยสติเรารู้ทันว่ามีความอยากเกิดขึ้นความอยากจะดับอัตโนมัติแต่ดับชั่วคราวเดี๋ยวอยากใหม่ อย่างเราอยากได้มือถือมันเดินห้างเห็นมือถือสวยๆรุ่นใหม่อยากได้เรามีสติรู้ทันความอยากนะความอยากจะหายอัตโนมัติแต่เดี๋ยวมาอีกนะดับชั่วคราวแล้วมาอีกถ้าจะดับถาวอนต้อดับด้วยปัญญาดับด้วยปัญญาด้วยการที่เราคอยรู้เท่าทันใจของเรานี้ยแหละสุกขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆในชีวิตเราก็ชั่วคราวนะคอยรู้คอยดูลงไปปล่อยๆ ถ้าเมาไืไรมันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นการละที่ถาวรเลยทำไมคนเรามีความอยากอยากอะไรบ้างเคยได้ยินไหมกิเลสผัดห้าตันหาร้อยแปด้ตันหาคือความอยากเยี่แยกไปหมดเลยจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกความอยากทั้งหลายแหลนะย่อๆลงมาก็คืออยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ความอยากเนี่ยถ้าลึกซึ้งลงมามันก็มีแค่นี้เอง ทำไมอยากได้เสื้อสวยๆนะอยากได้เสื้อสวยๆเนี่ยเพื่อให้จิตใจมีความสุขในชะ่ไหมอยากได้เสื้อผ้าอบอุ่นในหน้าหนาวเนะี่ยอยากให้ร่างกายมีความสุขคนละอันกันนะอิวข้าวอยากกินข้าวนะีอันนี้เป็นเรื่องความต้องการทางร่างกายนะอยากกินของอร่อยนี่เป็นความต้องการทางใจ น, ะนี่เราค่อยรู้ทันลงไปนะความอยากนานาชนิดเนี่ยย่อๆลงมามันเหลือนิดเดียวเอง มันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากมีแฟนก็เพื่อคิดว่ามันจะมีความสุขเห็นไหมพอมีแล้วพบว่ามันทุกข์ก็อยากเลิกสุดท้ายก็คือแค่นี้เองตลอดชีวิตนะั้นมันก็มีแต่ ว, ว่าอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์ถ้าเรามาหาดูจิต ด, ดูใจเราจนปัญญามันแจ่มแจ้งมันเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวดูของจริงนะอย่าคิดเอานะ เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์อย่างตามองเห็นรูปสวยๆมีความสุขขึ้นมาหูได้ยินคนเขาชมเรามีความสุขขึ้นมาใจเราคิดเรื่องสนุกสนานมีความสุขขึน้น<ม>รู้ทันความสุขที่เกิดขึ้นตาเรามองเห็นศัตรูเรานะใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นบ้านไฟไหมเห็นน้ําท่วมบ้านใจเป็นทุกข์ขึ้นรู้ทันที่ใจที่เป็นทุกข์เนี่ยการที่เราคอยรู้ทันอยู่อย่างนี้ไม่นานเราก็จะเห็นนะว่า ความสุขมาแล้วไปความทุกข์มาแล้วไปไม่มีความสุขถาวรไม่มีความสุกขถาวรเมื่อไร่สติปัญญาแก่กล้านะเห็นว่าความสุขก็เป็นของโชคคราวความทุกข์ก็เป็นของโชคคราวเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นที่มันอยากเพามันอยากได้ความสุขมันอยากหนีความทุกข์ความอยากเวทนาใเคยอ่านคําว่าปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินมบ้างไหมเคยได้ยินคําว่าปฏิจจสมุปบาทยกมือซิยก สังเกตไหมเรายกมือด้วยความภูมิใจไม่ธรรมดานะไม่เหมือนใครมีกิเลสมเหี่ยวเหี่ยวนะใครรู้จักปฏิจจสุบัตเข้มแข็งเลยมันเทนะธรรมะอันนี้มันเทปฏิจจสุบัติบอกนะเวทนาปัจยาสันหายไหมเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดสันหาให้เกิดความอยากตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทา น, นก็คือความอยากที่รุนแรง น, นั่นเองคือสันหาที่รุนแรง แล้วนำไปสู่ความทุกข์เนี้นถ้าเรารู้เท่าทันตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้นตัญหาจะไม่เกิดเราตัดวงจรของปฏิจจสมบตัตได้ง่ายๆเลยวิธีที่จะตัดง่ายแสนง่ายเลยนะให้รู้ทันใจของเราไปไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ที่มีสองสามร้อยคำนะน า, นานาชนิดความรู้สึกนานาช น, น, นิดมันเยอะเกินไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องรู้เยอะขนาดนั้นะ เรารู้จักสภาวะธรรมที่เกิดในใจเราสามอย่างก็พอแล้วรู้จักความสุขความสุขเกิดในใจรู้ทันรู้จักความทุกข์นะความทุกข์เกิดที่ใจรู้ทันความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดที่ใจก็รู้ทันให้รู้อยู่แค่นี้ก็พอแล้แค่นี้ก็พ้นทุกข์ได้นะแค่แค่นี้ก็พ้นทุกข์ได้ละวแล้วความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันแล้วก็จะเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็จะเห็นอีกมันมาแล้วมันก็ไป ความเฉยเฉยเกิดขึ้นมันมาแล้วมันก็ไปมันมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปทั้งนั้นหลยถ้าเมื่อไรปัญญาแจ้งว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปความอยากไม่มีละความอยากไม่เกิดไม่จะเกิดทําไมจะอยากได้ความสุขทําไมาความสุขมันเป็นของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไปไม่จะเกลียดความทุกข์อะไรนักหนาความทุกข์เป็นของชั่วคราวความทุกข์มาแล้วก็ไปจะไปรักษาจิตให้เฉยเฉยอยู่ทําไมในเมื่อความเฉยเฉยมาแล้วก็ไป ใจไม่ได้มีความอยากเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดแล้วนะเป็นกรรมฐานที่สุดจะง่ายเลยะแต่เป็นกรรมฐานซึ่งสร้างพระอรหันต์มาหลายองค์แล้วนะใครรู้จักชื่อพระมหามกขลานะไหมฟังธรรมานนี้ฟังเรื่องเบทนานี่ใครรู้จักภาษาดิบุตรไหมเป็นไงท่านยิ้มหวานไหยรู้จักเหรอหลวง่อยังไม่รู้จักเลย รู้จักแตชื่อไม่รู้จักตัวท่านพระมหาโมคลานาภาษาลิบท์ฟังธรรมเรื่องเวทนาเนื่องความสุขความทุกข์นี่แหละบรรลุพระอรหันต์มาแล้วแล้วพวกเราวันนี้เราได้ฟังธรรมชั้นเลิศแล้นะเท่ากับที่พระมหาอัครส า, าวก ท, ท่านเคยฟังเรารู้ทันเมทะนาที่เกิดขึ้นในใจความสุขความทุกข์ในใจนะในกายเนี่ยไม่สําคัญเท่าไหร่เล่นที่ใจเลย เพราะใจนี่แหละกูสลเกิดที่จิตใจอกูศนเกิดที่จิตใ จ, จ, ตใจมัดผลเกิดที่จิตใจของเรานี่เองเรียนตัดตรงเข้าถึงจิตใจได้เนี่ยเส้นทางการปฏิบัติก็จะไม่ยาวหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะหลวงพ่อหันดูจิตดูใจอยู่ไม่นานหลวงปู่เขรับรองเลยว่าหลวงพ่อพึ่งตัวเองได้แล้วด้วยอยู่เจ็ดเดือนนี้ท่านบอกพึ่งตัวเองได้แล้ะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างนณะ อยู่มาอยู่มานั้นก็ไปถามท่านว่าหลวงปู่ผมเห็นแต่ใครๆเขาพิจารณากายผมจะต้องพี่หนักกายไหมหลวงปู่บอกว่าที่พี่หนักกายนะเพื่อให้เข้าถึงจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะไปเอาอะไรคับกายกายเป็นของทิ้งครูบาอาจารย์อีกองเคยสอนหลวงพ่อหลวงปู่สุวัตท่านเล่าว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำความสงบพุทโธไปพุทโธไปให้จิตมีเล้วมีแรงมีความสุขนะจะกลับมามีกาลังดูกายดูจิตได้อีกท่านสอนบอกว่าที่เราดูกายนเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเนี่ยเพื่อให้รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเราถ้าเราดูเข้ามาถึงจิตถึงใจได้นะคนยุคของเราเนี่ยดูจิตง่าย เพจิตขอเราแกว่งทั้งวันเลยคนโบราณนะอยู่กับท้องไร่ท้องนามไม่ค่อยมีอะไรกระทบใจเฉยๆนะน้ํามาทีหนึ่งน้ํามากไปน้ําน้อยไปอนี้จิตก็ให้แกว่งหน่อยแล้วนะน้ำแรงก็อยู่เฉยๆยังมีน้ํากินอยู่ก็ยังอยู่เฉยๆได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่นะแค่ตามองเห็นจิตเราก็แกว่งหูเราได้ยินเสียงจิตเราก็แขว่งใจเราคิดจิตเราก็แขว่งแกว่งอยู่ทั้งวันไปแล้ เราคอยดูจิตใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะถ้าย่อๆลงมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆดูแค่นี้ก็พอลนะะไม่ต้องดีกับร้ายก็ได้แต่ดีกับร้ายนะั้นมีให้ดูอยู่แล้วละส่วนใหญ่ร้ายถ้าไปภาวนาให้ดีจะเห็นเลยว่าแต่ละคนนี้ร้ายกว่าที่คิดไว้ร้ายโคตรๆเลยนะถ้าพูดสมัยใหม่อะเรียกร้ายโคตรๆเลยแต่ละคนไม่ธรรมดาหรอกทําเป็นดีอะแต่ข้างในร้ายนี่เราหัดดูของจริงนะ ดูของจริงแล้วพบอย่างนั้นเลยถ้าจะดูให้ง่ายๆก็ไม่ต้องยากอะไรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์แล้วมีความสุขขึ้นที่ใจรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์แล้วมีความทุกข์ขึ้นที่ใจรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์แล้วเฉยๆรู้ทันรู้อยู่ที่ใจรู้สบายๆ อ, อย่าไปนั่งเฝ้าการดูจิตดูใจเนี่ยอย่าไปตั้งจ้องนั่งเฝ้านะถ้าไปจ้องรอดูเนยะจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งไปเลยจิตมันเหนียม ก็ปล่อยให้มันสนบ้างนะอย่าไปสนใจมันมากแค่ว่าพอมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆแปลกปลอมเข้ามาในใจเราคอยรู้แค่นั้นก็พอละอย่าไปนั่งเฝ้าไว้นะถ้าเฝ้าแล้วมันเฉยลูกเดียวเลยพอไหวไหมไม่ยากนะความสุขเกิดตอนไหนเอาแล้วสิ ไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากบอกให้ดูความสุขความทุกข์ความสุขเกิดตอนไหนยังไม่รู้เลยความสุขเกิดตอนมีผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดความสุขตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดความทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เฉยเยอย่างตาไปเห็นของสวยของงามใช่ใจก็มีความสุขไปเห็นของน่าเกลียดน่ากลัวใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาใช่ห สุขทุกข์เนี่ยมันตามหลังการกระทบอารมณ์มเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทำงานไปตามธรรมชาติอย่าไปห้ามมันเรามีตาลืมตาเอาไว้อย่าหลับตามากนะลืมตาไว้เราคนต้องหลับตาเรืยกาว่าจะรู้แจ้งโถาลืมตายังไม่ค่อยจะเห็นเลยหลับตาลืมตาพระเจ้าก็สอนให้อย่างนั้นนะ ท่านสอนบอกดูคราภีสูตรทั้งหลายให้คูบันลังคือนั่งขัดสมาธิ pared. ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้าย า, ยา ว, ายายาวไม่มีครรําว่าหลับ <ult it> ตาเห็นไหมท่านบอกให้คูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกรู้หายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าถ้าไม่ได้สอนว่าพิสูตทั้งหลายให้คูบรรันลังตั้งกายตรงหลับตาไว้แล้วก็หายใจแผไม่ได้สอนนะเกินนะ แต่ว่าถ้าจิตสงบนะต า, นตามันปิดเองตามันปิดเองเพราะว่ามันไม่สนใจในการดูการฟังอะไรนะทวารต่างๆก็ ค, ค่อยๆปิดเหลือแต่ทวารใจอันเดียวอันนั้นจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนไหนตาแสบสายมา ก, กเริ่มต้นหลับตาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนแต่ถ้าพวกคิดมากแล้วเริ่มต้นให้หลับตานี่คิดอุตรุษเลยเริ่มตาไว้ก่อ น, นหรือบางทีท่านก็สอนนะ ดูคราพีกสูทั้งหลายให้เธอจงดูโลกอันงดงามวิจิตรดุจราชรถทรงของพระราชาที่คนเข่าพากันหมกอยู่นะติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดข้องท่านไม่ติดข้องไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ดูไม่ใช่เพราะท่านไม่ฟังแต่เพราะท่านฉลาดท่านไม่ใช่คนเขา่าท่านฉลาดเพราะท่านรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันชัว่วคราวท่านเลยไม่ติด ถ้าเรายัางไม่รู้ความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเรายัางจะติดอยู่ฉนั้นวิธีการที่จะถอดถอนจิตออกจากความทุกข์นะหัดรู้ทันจิตไปนะเบื้องต้นถ้ามีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเราจะเห็นว่าอยากเกิดที่ไรทุกทุกทีเลยต่อไปเราก็ดูลึกซึ้งเข้าไปอีกความอยากตามหลังเวทนามาความสุขความทุกข์ความเฉยเยนี่แหละ ความสุขความทุกความเฉยเฉเกิดจากการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจยั้นถ้าตาหูจมูกลิ้นกายเฉยกระทบอารมณ์เรามีตาให้มันเห็นรูปไม่ต้องไปห้ามตาเรามีหูให้มันได้ยินเสียงไม่ไม่ต้องไปปิดหูไม่ต้องปิดตาปิดหูการปิดตาปิดหูนั้นเป็นหลักของเรื่องของสมถะในการทําวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องปิดตาปิดหู มีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสนะมีร่างกายก็กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งได้ให้มันกระทบอารมณ์ไปแต่พอกระทบแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันมันเฉยเฉยให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันนะพอมีความสุขเกิดขึ้นราคะจะแทรกถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้น โทสะจะแทรกเ ฉ, เฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็หลงไปเลยโมหะเอาไปกินหมดเพราราคาโทสะมันเกิดขึ้นมันจะผลักดันให้เกิดความอยากขึ้นมีความอยากความโลภ ก, ก็อยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมมีโทสะขึ้นมาก็อยากให้มันหายไปอยากให้มันหมดไปเป็นวิภาวะตัณหาถ้ามีความอยากขึ้นมานะจิตก็เข้าไปยึดถืออารมณ์เรียกว่าอุปทานนะจิตเก็ไปทํางานดิ้นรนปรุงแต่งใหญ่เรียกว่าจิตมันสร้างพบ แล้วมันก็ไปหยิบฉวยมันไปยึดถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นตัวกูของกูนะเขาเรียกว่าชาติชาติคือความเกิดคือความได้มาซึ่งความเข้าไปยึดถือซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจพอไปยึดเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาแล้วความทุกอัตโนมัติเกิดขึ้นเลยเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงแต่เรายังเรียนไม่ถึงตัวนี้นะยังไม่ต้องถึงเอาไว้ได้พระนาักขาแล้วมาเรียนต่อนะ าาขระอาแล้วถึงจะเรียนตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องตอนนี้เอาแฉ่ง่ายๆตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ได้ไม่ต้องห้ามมั น, นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอตาดูหูฟังใจคิดแล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันเฉยๆยให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะแทรกตัณหาจะมาจิตที่จะดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะทุกข์ให้ดูเลยเนฟ้ารู้เฝ้าดูนะไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องยากหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนครั้งแรกเมื่อหกกุมภาสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าสาสิบปีเต็มๆมาลนะสามสิบปีหน่อยๆละครั้งแรกเลยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้เลยนะสอนให้อ่านจิตใจตนเอง เนี่ยจิตใจเป็นสุขเราก็รู้จิตใจเป็นทุกก็รู้จิตใจเฉยเก็รู้ดูมันเข้าไปสินะกิเลสอะไรความโง่ควา ม, วามขาวอะไรมันทนสติปัญญาของเราไม่ไหวหรอกเรามีสติคอยสอดส่องจิตใจของเราคอยรู้จิตใจของเราไปเรืต่อไปมันก็เห็นนะความสุขมามันก็เห็นความทุกขมามันก็เห็นความเฉยเฉยมาก็เห็น ถ, ถ้ายังไม่เห็นนะเดี๋ยวโลภะโทสะโมหกิเลสมันก็มาถ้าเห็นได้แต่มันสุขมันทุกข์มันเฉยเยนะกิเลสยังมาไม่ทัน มันอยากแทรกไม่ทันแล้วเราฝึกนะฝึกเอาโตแล้วเรียนรับต่อไปนี้มีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาความสุขไม่ใช่รู้เพื่อปฏิเสธความทุกข์แต่รู้เพื่อให้เห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวเท่านี้แหละพอไหวไหมพยักหน้าไหว ถ้ามีการกระทบอารมณ์ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเวทนาสิเกิดความ ร, รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเนียถ้าเราไม่รู้ทันจะเกิดอะไรอีกจะเกิดกิเลสเกิดอยากนะเกิดตัณหาแล้วเกิดในสุดจิตก็เข้าไปยึดฉวยต่างๆจี่ก็เป็นทุกข์เนี่ยกระ บ, บวนการทํางานในใจของเราเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องลึกลับนะ ทุกคนนะหัดรู้หัดดูจิตใจไม่นานก็เห็นผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทที่พวกเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยๆเกิดขึ้นคอ ร, รู้ทันไปถ้ารู้ไม่ทันนความอยากจะเกิดขึ้นถ้ารู้ทันความอยากก็ดับไป ถ้าความอยากเกิดขึ้นไม่รู้ทันนะจิตเข้าไปยึดถือจิตเข้าไปดิ้นรนจิตเข้าไปปรุงแต่คราวนี้สายเกินไปแล้วยังไงก็ทุกข์ละงั้นเราจะมาตัดวงจรของความทุกข์ออกจากใจเรานะนี่ยศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะสอ น, นเราสามารถถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้การที่เราคอยรู้มีสุขขึ้นมารู้มีทุกข์ขึ้นมารู้เฉยเรู้ เบื้องต้นมันก็จะเห็นเลยว่าสุกมันชั่วคราวทุกมันชั่วคราวเฉยมันชั่วคราวทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของชั่วคราวถ้าเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของชั่วคราวกระทั่งตัวเราก็ไม่มีนะความรู้สึกเป็นเรามันก็เกิดมาเป็นคราวๆปลุงขึ้นมามนคิดขึ้นมาจริงๆมันไม่มีมสลายไปหมดถ้าอย่างนี้ก็ได้ธรรมะเบื้องต้นเป็นพโสดปันถ้าเราเห็นอีกเลยว่า ความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สภาวะธรรมทั้งหลายบังคับไม่ได้นะจิตใจก็บังคับไม่ได้ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้านั้นจิตมันก็หมดความยึดถือถ้าหมดความยึดถือได้นะ ก, ก็จบกิจพ้นทุกข์กันตรงนั้นเองเราะฉะั้นธรรมะของพระเจ้าเลยมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งที่เป็นพระโสดาบันเนี่ย W w there, hmm? like ถ้าเป <im> ็นพระโสดาบันเพราะท่านเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีทุกอย่างมันเกิดชั่วคราวแล้วดับไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะถาวรว่าเป็นตัวเราถาวรไม่มีนะเห็นอย่างนี้เห็นถ้าเราเห็นว่าจิตที่มีความสุขก็เป็นของชั่วคราวจิตที่เป็นทุกข์ก็ชั่วคราวจิตเฉยๆก็ชั่วคราวจิตทุกชนิดจะชั่วคราวเพราะจิตนะมีไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยก็มีอยู่แค่นั้นเองถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเปนชั่วคราวก็ได้ธรรมะเบื้องต้นที่เห็นถูกแล้ว ต่อไปเขามีปัญญาเห็นจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้มันจะปล่อยวางความยึดถือจิตใจไม่ใช่ล้างความเห็นผิดแต่ว่าปล่อยวางถ้าล้างความเห็นผ <c oxid ized surfing> ิดนี่เป็นขั้นของพระโสดาบัติถ้าขั้นปล่อยวางความยึดถือเป็นขั้นพระอนาคามีกับพระอรหันต์ถ้าวางความยึดถือในร่างกายได้จะเป็นพระอนาคามีวางความยึดถือในจิตใจได้จะเป็นพระอรหันต์ นี่ครูบัจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้นะท่านสอนมาหลวงพ่อก็จํามาบอกพวกเราต่อพวกเรามาหัดดูของจริงในใจดูซิจริงหรือไม่จริงพระพ <c oughs> ุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราโง่นะท่านให้เราพิสูจน์ไม่ใช่บอกว่าจงเชื่อเถอะไม่ดได้สอนอย่างนั้น <c oughs> ท่านสอนหลักธรรมอันนี้ขึ้นมาปฏิจจสมบัตินี่ท่านสอนขึ้นมาแล้วท่านก็สอนว่าอย่าเชื่อ ให้ลองดูพิสูจน์ดูด้วยตัวของเราเองวิธีพิสูจน์ไม่ใช่นั่งคิดเอาแต่คอยรู้สึกเอาตาหูจมูกลิ้นก่ยใจกระทบอารมณ์ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉเกิดขึ้นให้รู้ทันลองรู้ไปเรื่อยๆความทุกข์จะกระเด็นออกแอ บ, บใจหรือไม่กรเด็นถ้าความทุกข์ไม่หายไปนะเราดูถูกต้องแล้วดูพอสมควรแนะไม่ใช่ดูสองสามนาทีแล้วอพอแล้วนะไอ้นั่นเราขี้เกียจ ด, ดูก็ดูกันเป็นปีๆนะดูกันแลมเดือนแลมปี ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยก็ทํากันทั้งชีวิตนี่หลวงปู่เทพสอนใครรู้จักหลวงปูเ่เทศนหมเทพหลังสีพระวิเศษลงหนึ่งเลยหลวงปู่เทศนะ่ะท่านใจดีแต่ว่าใครไปขอเส้นเกศาขออะไรนะไม่เคยให้เลยมีกล่าวหนึ่งมีโยมในวัดไปขอเส้นเกศาท่านบอกเลยว่าถ้าหลวงปู่มรณภาพเมื่อไหร่นะ สำนักพระราชวังเขาคงมาจัดงานศพหลวงปู่นะพวกดิฉันคงไม่ได้หรอกพระธาตุหลวงปู่ไม่มีโอกาสเลยหลวงปู่ก็ยิ้มหวานไม่ยอมให้หรอกจะขอเส้นเคสาหนหลวงปู่ก็บอกว่าเจ้าไปรอเก็บเอาตามยอดญาติเถอะบอกอย่างนี้นะทุกคนก็งงกันนะหลวงปู่บอกให้ไปเก็บพระธาตุของท่านตามยอดญาพิ่เก็บได้ไงปรากฏว่าวันที่เผาศพท่านนะตอนดึกนะ คนที่มาแบบฉับสวยก็กลับไปหมดละเดี๋ยวลูกศิษย์จริงๆก็นั่งล้อมเมนท่านอยู่ตกดึกเนี่พระธาตุท่านพุ่งออกมาจากโกรธนะเผาในโกรธนะแคเดนออกมาอยู่ผลยอดหญ้าเลยหญ้าปูไว้รอบเมนอนะ่นะก็เก็บกันจริงๆท่านใจดีจริงๆนี่หลวงปู่เทศนี่แหลนะสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยก็ทำกันทั้งชีวิตนะพรนะธาตุท่านเก็บมา ตอนเช้าก็แปลกเป็นพระธาตนละกระดูกท่านเวลาแปลกก็แปลกดีนะมันจะคล้ายๆเป็นน้ําเยิ้มๆออกมานะแลค้ค่อยๆหลอมค่อยๆละลายจนะเป็นพระธาตุแ้วคนลืมท่านไปหมดลนะทุกนี้ไม่รู้จักท่านลนะเมื่อท่านสอนธรรมะได้เด็ดขาดมากเลยการปฏิบัติทำกันทั้งชาติถ้าเราเชื่อท่านนะเราก็ภาอนาไม่เลิกภาอนาไปเรื่อยๆ ถึงวันหนึ่งเราก็ได้ของดีของมิเศษแบบที่ท่านเป็นท่านได้นะต้องสู้เอานะอพอสมควรสี่สิบนาทีกลัขบขอไม่ตาหลวงพ่อนะครับมีผู้ที่จะส่ ง, งกันบ้านทั้งหมดสิบปดท่านครับคะทับเห่ายนะสิบแปดครับขอราดับแรกเลยครับต่ยอย่อๆนะถ้าเป็นพระนะสามสิบนี่หรอ า, าตวอราวจแป๊ดเดียว อ้าว่ามาเอาย่อยๆนะไม่ต้องเล่าตั้งแต่เด็กเะ็กไม่ต้องอ๋อพอดปฏิบัติธรรมแล้วก็พอดีจิตมันรวมอะค่ะแล้วก็มันก็จะดิ่งไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ให้ดิ่งสิดิ่งแล้วตามไม่ทันนอะไม่ตามนะถ้ามันดิ่งแล้วตามมันขึ้นมานั้นก็มีสติใหม่พอมันถอนขึ้นมานะดูร่างกายไปเลยถ้าหากเวลาจิตจะรวมแล้วฝืนนะปวดหัวนะไปฝืนไปต้านแปเดียวก็ปวดหัวแล้ว เมื่อถ้าจิตจะดิ่งให้เขาดิ่งไปเขาก็พักตามสมควรแล้วเขาขึ้นมาแล้วมีสติรู้ทันไม่ไม่ไม่ทันนะหลวงพ่อฮะไม่ทันไม่เห็นนะคะไม่ทันตอนไหนไม่ทันตอนที่แบบขึ้นมาคือจะไปตอนที่ที่หลับอ่ะพอหลับตาแล้วก็มันก็จะรวมแล้วก็จะดิ่งไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปที่ที่หนึ่งครั้งสุดท้ายนี่คือไปที่ที่หนึ่งแล้วก็ไปเห็นละแล้วก็กลับมาจนตอนเนี้ยก็รู้สึกว่างเฉยอืมแววให้้ดูร่าางกยไ อย่าไปให้จิตว่างนะโลปูมันเคยสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยจิตจะไม่เดินตัญญา จ, จริงถ้าเราไม่เห็นทุกเรายังไม่เห็นธรรมอะไรคือทุกกายนี้ใจนี้เป็นทุกเนะ่อนั้นต้องคอยรู้สึกอยู่ในกายเรารู้สึกอยู่ในใจคอยดู ก, กายไปเห็นล่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายไปยักหน้านดูเหมือนดูคนอื่นไปได้ฝนะออางนี้ต่อนะไม่งั้นไปไม่ได้มันจะเฉยไปตลอดชีวิตเลย ตายแล้วไปพว ม, มโลกนะนมกัศการค่ะหลวงพ่อก็คืออยากจะให้ดูนะคะว่าภาวนาเป็นบ้างหรือยังค่ะแล้วก็จิตตื่นบ้างหรือยังค่ะไมะไรนัาเกลียดบอกหลวงพ่อนิดหน่อยสิมันได้ไม่น่าเกลียดเห็นกายกใจเป็นคละอันบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็แค่รู้สึกว่า เหมือนเวลาจิตมันคิดลงไปคิดอะไรองเอองี้ยก็จะตามรู้ไหมเวลาจิตนี้ไปคิดรู้ค่ะรู้ได้แล้ดีแล้วแล้วจิตมีความสุขรู้ไหมรู้ค่ะจิตทุกรู้ไหมรู้ค่ะรู้ไปเลยที่ฝึก อ, อยู่น่ะดีแล้ว่ะรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะดูออกไหมมันปโปร่งเบาขึ้นไหมมันสว่างสวัยขึ้นไหม รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่เคยรู้จักไม่รู้จักไม่หมือนหรจิตเราเปลี่ยนไปแนละ้จิตเราแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเขาแล้วรู้สึกไหมมันเบิกบานได้เองแล้วมันมีปีติขึ้นมาได้เองออืก็แต่ก่อนก็จะไม่รู้วิธีว่าแบบสมมติว่ามีความทุกข์อะไรก็จะไม่รู้ว่าทํำยังไงเดี๋ยวนี้ก็จะรู้แล้วก็ตัดได้มากขึ้นนะคะมันตัดเขามันเองนะ อย่าไปช่วยมันตัดทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้ตัดพระเจ้าสอนบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ได้เวลานะดังนั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันเร้จเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวมีไม่ทุกข์ไม่ไปไม่มีหรอกต่อไปดูค่อยดูนะความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุข ก, ก็ชั่วคราวเราดูอย่างเรื่อยๆนะที่ที่ทำอยู่นี่คือ ด, ดีแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วอ๋อ คือมันตื่นบ้างแล้วใช่ไหมคะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะไม่ตื่นมันก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลานี่พระารหลวงพ่อค่ะปฏิบัติได้ประมาณครึ่งเดือนเนืงจากไปเห็นทุกข์เพราะคนที่รักเดินจงกรมแล้วเห็นว่าคำถามคำาแรกคือทุกข์เพราะคนที่รักเดินจงกรมเดี๋ยวนะคะใจยังเป็นกองอยู่เลยค่ะก็ <laughs> <laughs> ได้ไปเดินจงกลมเดินไปเดินมาเห็นคําถามที่หนึ่งเกิดขึ้นคําถามที่หนึ่งดับไปจนคําถามสุดท้ายก็รู้ว่าทุกเพราะคนที่รักอืก็แล้วก็ได้รู้ต่อไปว่าไปยึดเขาอืรู้ต่อไปว่าเขาไม่เที่ยงจริงทุกเพราะยึดนะไม่ใช่ทุกเพราะคนอื่นทุกเพราะเรายึดนะฮะอย่างนี้เหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ใช่ค่ะทุกเพราะมันอยากทุกเพราะมันยึดค่ะแล้วก็เราไปยึดของที่มันยึดไม่ได้ใช่ ในโรคนี้มันไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้ตลอดเวลาใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าสมมติว่าเราเคยรับเคยมีความสุขก็พอแล้วละอย่างน้อยก็เคยรู้จักว่าสุขเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ยิ่งกว่านั้นอีกเรารู้ว่าทุกข์เป็นยังไงใช่ค่ะเราก็จะเริ่มฉลาดสุขก็ไม่เจี่ยงทุกข์ก็บังคับไม่ได้ใช่ค่ะพอรู้เสร็จใจก็รู้สึกสว่างแล้วก็โล่งค่ะ หนูท<ด>ุกข์นะค่ะเหนูก็เลยดูจิตบ้างดูเวทนาบ้างแล้วแต่ว่าอย่างใดจะปรากฏชัดก็เลยจะอยากจะทำวิหารธรรมหลวงพ่อว่าอะไรทดูจิตต่อไปดูใจ ต, ต่อไปถูกแล้ค่ะขอบคุณกล่าวน้อมสการหลวงพ่อครับผมก็ขอส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบหนึ่งปีนยไอกลาบหลวงพ่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ดูความคิดไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็เห็นว่าในส่วนของหลายๆอย่างมันตามหลังความคิดรุ่นหนึ่งเคยพอนาแล้ไรับว่ากลัวกลัวมากเลยนะกลัวแบบกลัวตายอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาจะมาเอาตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ดูไม่ทันความกลัวครับพอมาตะหลังไปอ่านคําของหลวงปู่ดูลนะครับที่ว่าผู้รู้นะจริงสิ่งที่ถูกรู้นะไม่จริงก็เลยเริ่มเริ่มลดความกลัวลงมาว่าเห็นว่า ตัวความกลัวเองก็ถูกรู้เหมือนกันก็นี้ความกลัวครับไม่ไปกลัวตัวอะไรครับกลัวความคิดครับกลัวความคิดมันมีความคิดแล้วก็มีความกลัวตามมาแล้วปรากฏว่าไปเชื่ออืก็เลยกลัวครับแต่พอแต่หลังๆก็เริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้อถูกฮะแล้วก็ไปไปก็พอฟังที่หลวงพ่อบอกว่าคอยรู้สึกเอาไว้ว่า อ่ามีตัวผู้รู้อยู่ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าที่หลวงพ่อเคยพูดว่ามพัดถูกรู้อะไรเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้ตอนนี้ก็เลยอ่าขอกราบขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะว่าต้องดําเนินก็ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำต่อไปเราไม่ได้ทําเอาอะไรหรอกทาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้จิตใจคิดก็บังคับไม่ได้ถูกไหม จิตจะกลัวก็สั่งไม่ได้ครับมันเป็นเองราะคุณมันเห็นอนัตตามันบังคับไม่ได้เพราะผมไม่ได้ดูไปครับให้ดูอีกครแต่จิตต้องถึงฐานนะงานนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงครับเออให้ดูถ่านนะถ้าจิตไม่ถึงฐานจะคือสมาธิไม่พอจะไม่เดินปัญญาจริงครับพวกนักดูจิตเนี่ยบางกีพวกเราดูจะชีวิตประจําวันเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้ทําสมาธิ พอเราทิ้งสมาธิไปนานๆบานที่จิตไม่เข้าฐานถ้าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็ไม่เดินปัญญาจริงนละสงสัยเราก็รู้ว่าสงสัยรา้วรู้ทันจิตไปด้วยขอบคุณหลวงพ่อครับการรัสกาหลวงพ่อค่ะคือหนูทบธรรมฐานมาตั้งนานแล้วแล้วก็เพิ่งมาทำ เวทนาของพ่อเนี่ยได้ประมาณหกเจ็ดเดือนเรารู้สึกว่าตัวเองติดสมถะพอนั่งสมาธิก็จะจะเหมือนปลับอ่ะเหมือนดิ่งแล้วก็วูบไปพอเปลี่ยนมาเป็นมาเป็ น, ปนดูดูลมหายใจก็ยังเป็นก็เลยอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมนะที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วไม่ติดแล้วล่ะเพราะฉนั้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปใจเคลื่อนไหวรู้สึกไป อีกคำถามหนึนนงค่ะหลงคือพี่สาวนาักสื่อศาสนาคิดแล้วก็ตอนนี้พ่อป่วยพี่สาวก็จะบอกว่าใบ3าเนี่ยให้สวดทางศาสนาคิดให้ให้พร้อมกันจะได้มีพลังมากขึ้นหมายถึงในครอบครัวนะคะก็ทําตามที่พี่สาวแต่ทุกครั้งที่ทำเนี่ยรู้สึกสับส น, ว, รรบสนบว่าเอ๊ะเรานับถือศาสนาพุทธบอกว่าไอ้สิ่งที่การร้องขอเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันขัดกันพอตอนเช้าตื่นมาทําสมาธิใบ3ามสวดแบบคิด<ม>ก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่เนี่ยค่ะมันมันควรจะ เราอยู่ในครอบครัวอย่างนั้นนะทำอยาในนั้นมันไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่เป็นไรหรอกอนุโลมให้เขาสบายใจแต่ยังไม่ชวนเราไปกินเหล้าผิดวายอย่างนี้เราก็ไม่เอาเปนผิดศีลใช่ไหมค่ะ ข, ขอบคุณค่ะคือชาพูดเรากลมเกลืนนะ่อนกลมเกลือนได้ง่ายเราไม่ค่อยเป็นปฏิปักษ์กับใครอะไรที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะ เป็นประเพณีเป็นอะไรในครอบครัวนะอนุโลมได้ก็อนุโลมไปดีกว่ากัดแย้งเดี๋ยวเพราะว่าชาวพุทธตั้งต้อมกล่าวในมัสการค่ะสวดมนต์ในจิตแล้วมันหายไปสวดๆแล้วมันก็หายไปปุ๊บอพอหายไปปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าไปหามันอมพอพอไปหามันแล้วก็กลับคือย้อนกลับ กลับแล้วมาตอบไม่ได้<ม>พอตอบไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่สองสามรอบไปมาก็เลยแบบรู้สึกว่าหงุดหงิด<ม>พอหงุดหงิดแล้วมันก็กลับมาที่กายกายมันก็เหมือนโดนบีบเหมือนโดนบีบเป็นอย่างนั้นอยู่สองสามครั้ง<ม>ผลสุดท้ายก็คือช่างมันปล่อยมันไปพอปล่อยมันไปมันก็ดีขึ้นเบาขึ้นทีนี้ทีนี้คําถามก็คือว่าในกระบวนการแบบเนี้ย อย่างนี้ถือว่าเป็นการวางเฉยไหมเจ้าขะยังไม่วางหรอกนะคือใจใจของบางคนนะมันฟุ้งแรงคมันชอบฟุ้งะจะไปทําสมาธิทําอะไรบางทีไม่ค่อยหลงง่ายใจมันจะฟุ้งซ่านเก่งดังนั้นเราต้อช่วยมันหน่อยถ้ามันอยากคิดนะพามันคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงธรรมะคิดถึ ง, งอะไรอย่างนี้ออ คือจะไปห้ามใจไม่ให้คิดนะห้ามไม่ไหวเพราะมันคิดแรงค่ะนะพามันคิดแต่ว่าไม่คิดสเปสสปะไปทางโลกโลกคิดไปในทางเป็นศิลเป็นธรรมไปคจะคิดแล้วไม่พูดนะค่ะจะคิดแล้วพิดทํามาแล้วพูดต่อไปในใจยิ่งฟุ้สร้างกว่าเก่าอีกนะก็ปล่อยมันไปเราพิจารณาค่ะนะคิดพิจารณาร่างกายเราก็ได้ร่างกายเราแต่ก่อนเป็นเด็กยังสาวยังแข็งแรงอย่านี้นะอยู่มาหลายปีอย่านี้ เริ่มคล้ำค่าลงเริ่มแก่ท่านลงอลนะไรเงี้ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความไม่สวยไม่งามไม่สะอาดสิคิดพามันจิตไปอย่างนี้ได้จิตจะสงบลงเมื่อจิตสงบลงแล้วมันค่อยมาเดินตัดยาต์ต่อสาธุสาธุข่านธรรมอัจฉระกราบธรรมส ก, การณ์คุณหลงพ่อโยมเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ก็ศึกษาจากซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ6เดือนนะคะในเมืองชนใกล้ป่ารไปมาแล้วค่ะไปครั้งที่1นึ่งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะก็เลยภาพว่าตัวเองเป็นคนที่จิตฟุ้งมากขี้ฉามมากแล้วก็เลวไร้ายที่สุดก็อยู่ที่ตัวของเราเองนี่แหละค่ะแล้วสามารถจะ ตอนนี้ให้อภัยคนอื่นเขาได้ค่ะแล้วก็ขอโทษได้นะคะคื อ, อนิยมอยากจะทราบว่าจิตของโยมเนี่ยเหมาะกับการภาวนาแบบใดอะค่ะของโยมนะใจมันคิดจริงจังน ะ, ะมันยึดมันถือความคิดความเห็นแรงมันอยากมันยึดอะค่ะหลวงพ่อนนแล้วเราดูจิตใจไปเราะจะเห็นเลยจิตใจของเราเป็นของห้ามไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงนะกระทั้งจิตของเราเราอยัางห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะ เราจะเป็นกลุ่มคนอื่นเราน้อยลงัขาจะอภัยง่าย่ไปดูจิตต่อดูจิตเลยนะคะใช่ขอบคุณค่ะดูกายไม่ได้ดูกายต้องทำสมาธิก่อนนวัตการครับให้หลวงพอเห็นหน้าแบบหันแล้วจได้แล้วผมฝึกดูหลงคิดครับผมก็จะเห็นว่าจิตที่หลงไปคิดมันคนละคนกับตอนที่ทันทีที่รู้จิตรู้มันเกิดขึ้นนะกระโดดกันและทีนี้ว่า ผมไม่รู้จักคําว่าจิตตั้งมัน่นอันนี้แต่ว่าการที่ผมรู้ว่ามันเป็นคนละดวงนี้มันเป็นขึ้นวิปัสสนาใช่ไหมครับอย่างอย่างเมันต้องเห็นว่าจิตดวงต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยดับ<อ>ได<อ><อ>้การที่เราเห็นบอกว่าไม่เที่ยงเพราะว่าจิตตะกี้มันดวงหนึ่งตอนนี้เป็นอีกดวงหนึ่งอันนี้เราเห็นความไม่เที่ยงด้วยการเทียบอจิตสองดวงถ้ายังคิดเปรียบเทียบอยู่อาศัยความจำนวะ่าตะกี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่าง เร่องยังไม่ขึ้นอุทยาพ ย, ายาัญญาแต่นั้นเรื่องสัมมาสัญญายังไม่ขึ้นอ๋อแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยจิตต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละดับให้ดูได้เกิดดับไปได้อ๋อแล้วอย่างนี้ต้องเออผมไม่รู้จะใช้วิหารธรรมอะไรครับก็ดูจิตที่ไหลไปคิดทั้งวันเนี่ยจิตจะมีสองชนิดคือจิตที่คิดกับจิตที่รู้แล้วก็ดูต่อไปอีกจิตคิดก็ไม่เที่ยจิตรู้ก็ไม่เที่ยง ก็คือทําแบบเดิมต่อไปใช่แต่ว่าเปลี่ยนมุมมองไปนิดหนึ่งมองใจลับของจิตคือต้องช่วยเขามองใช่ไหมครับใช่ แ, แน่ๆแต่ต้องช่วยคิดอ๋อแล้วเวลาจิตตั้งมั่นก็คือว่าแต่จิตที่หไหลไปไหยรู้จักครับแต่ว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาจิตตั้งมั่นเหมือนจะโปร่งโล่งเบาใช่ไหมครับแต่นี้ว่าผมไม่รู้สึกถึงไม่รู้สึกหรือมันโจงใจเหรอครับมันโใจดูแรงไปอย่างคอยดูจิตนี้ไม่คิด่ะ ห <_ t ries> นีไปแล้วอ๋อมันวม่ปลุก อ, อ, อ๋อนั่นจะไปตักดูนะครับดักดูแล้วมันจะแน่นขอบคุณครั บ, รบขอถาวายความเคารพแด่พระเดชพระพคุณหลวงพ่อครับกระผมก็ปฏิบัติตามเสียงธรรมที่ฟังจากสื่อนะครับก็ปฏิบัติอยู่ก็วันนี้มาขอกรรมฐานที่เหมาะกัจริตตนไปปฏิบัติก็รับ ท่านช่าคิดนะครับหรือว่าชอบความสุขความสงบเออผมนั่งสมาธาสมาธิมานานหลายสิบปีแล้วครับครับแล้วก็จิตมันนิ่งไหมครับหรือม่นเป็นยังไงก็นิ่งนิ่งได้แค่สงบสง บ, สงบมาครับแล้วก็จบวิสวห์มาอ๋อ <c oughs> ครับคือโดยพื้นฐานนะครับจิตท่านจะเป็นพราะช่างคิดมากกว่า ที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามดัะจิตใจที่มีจริตนิสัยอย่างนี้นะครับเคยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไหมจะดูง่ายกว่ายิ่งวิสวะนะครับจีเนี่ยสไม่ธรรมดาหรอกจะคิดเก่งจะได้เก่งวิเคราะห์เก่งคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปได้ความเปลี่ยนแปลงยังไงครับเช่นตามองเห็นมันก็สุขตาหูได้ยินเสียงมันทุกข์อะไรเงี้ย ดูความรู้สึกขอความเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยอารมณ์มันเปลี่ยนอ๋อครับถ้าถ้าอาจารย์ดูเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าจิตทุกชนิดเนี่ยเกิดระดับนะโดยธรรมชาติแล้วทุกๆคนเนี่ยจะถือว่าจิตเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตศูนย์กลางของโลกเลยถ้ากระทั่งตัวจิตเองนะไม่ยังเกิดดับไม่ใช่ตัวตนฐาว อ, อนนะในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอีกล้ะอ๋อครับ แต่เป็นพวกปฏิบัติธรรมให้ลำบากบรรลุได้ช้าคือให้นั่งสมาธิสมถะเนี่ยมาหลายสิบปีนะคือถ้านอาจจะไม่ใช่พวกปฏิบัติลำบากบรรลุช้านะแต่ว่ามันอาจจะทํากรรมฐานที่ไม่เหมาะอัจริตครับถ้าทําถูกกัจริตก็เร็วครเหมาะกัสมถะนะฮะที่ว่าให้จิตตั้งไม่หมาะกับไม่ค่อยเหมาะนะขอรับขอพระคุณอย่างสูง กลับนมรสการหลวงพ่อค่ะนี่มาจากจังหวัดตาค่ะหลวงพ่อได้ฟังธรรมเน่ของหลวงพ่อที่จะวิทยุพระพุทธศาสนาค่ะที่จังหวัดตาฟังได้ประมาณเกือบเดือนแล้วก็ตอนแรกก็ฟังก็อู้ดีนะแต่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรค่ะก็ตอนนี้ก็ดีใจที่ได้มากราบนมรดการหลวงพ่อที่นี่ไม่ต้องไปไกลถึงที่นู้น mm hmm. ก็นั่งสมาธิหลวงพ่อก็ช่วงนี้นะคะก็พยายามสวดมนมต์ธรรมจินก็รู้สึกจะวูบจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็นั่งไม่นานนะสิบกวนาทีสดมนต์ให้พระแล้วก็นั่งต่อเนี้ยแล้วก็ทํางานต่อก็อยากถามหลวงเพราะว่าตัวโยมเองนี่จะทําอะไรยังไงก็เวลาเราเคลื่อนไหวนะอย่างเรากวาดบ้านเช็ด บ, บ้านทํางานอะไรต่างๆนะเราก็เห็นร่างกายมีทําไปเรื่องใจเราเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นทําอ่ะเห็นร่างกายไปยักหน้าเห็นอะไรเงี้ยดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อ ต่อไปมันจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราจิต ท, ที่เป็นคนไปดูร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเห็น เ, เ่ะ <Okay. S 2> เห็นไหมมันไปอยักหน้าได้ค okay. ดูร่างกายที่เคลื่อนไหวนะค okay. แล้วเราต้องนั่งสมาธิอะไรไม่้างเพราะนั่งก็ตั้งไปนะค <Okay. S 2> ราดูด้วย<ไ>ป่นะนั่งแล้วพอเรากระดุกกระดิกเราทํางานทำอะไรนะเห็ <Okay. S 2> นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบ่อยๆค <Okay. S 2> เหมือนตู้คนอื่นอะ่ะ เหมือนเห็นคนอื่นยกมือเหมือนเห็นคนอื่นไปยักหน้า <c oughs> เราไม่ได้ดูด้วยตาเราดูด้วยความรู้สึก <c oughs> รู้สึกได้ไหม เ, เมื่อกี้มันไปยักห <c oughs> น้ารู้สึกแล้วไงรู้สึกอย่างแล้วก็มีอีกอย่างคือตัวเองเป็นคนรู้สึกว่าโทสะแล้วเกี่ยวกับสามีอะค่ะ <ừ> คือทําอะไรรู้สึกเขาไม่ถูกใจไม่เลยแล้วเราก็โมโหอะไรเงี้ยเราก็อยากฟังหลวงพ่อพูดเราก็พยายามเออโทสะโทสะแต่แล้วมันก็ไม่หยุดก็ยังโมโห อ, อย่า ง, างเงี้ยค่ะเคยชินไม่ปลอดภัย เรารู้ว่าโหมใส่กวคนนี้ปลอดภัยมันไม่กลัวแล้วกับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันทุกข์มากอะหลวงพ่อทุกข์เราก็อยากไม่โมโหแต่มันก็ยังโมโหไงจิตมันจะโมโหห้ามมันไม่ได้แล้วก็ทันไปเลยนะโมโหที่ไรก็ทุกทุกทีตัวไปอย่างนี้ก็ได้หลังจก็เลิกโมโหเองมันไม่อยากทุกข์เห็นไหมมันพยายามหน้าค่ะเห็นค่ะ หลวงพ่อครอย่างสวดมนต์อ่ะก็ขนาดเราสวดมนต์ทำวัดเย็นนก็ยังใจเราแว บ, บไปคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ทันห้ามไม่ได้เราก็ต้องรู้ไปอย่างเงี้ยเหรอคะเห็นไหมใจเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ค่ะดูไปด้วยเราคุมไม่ได้จริงหรอกค่ะแล้วโยมต้องทําอย่างหลวงพ่อว่าไงให้คำแนะนำหน่อยค่ ะ, ะมือเรารู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละรู้สึกไปเรือ่อยๆค่ะพยายามตามให้ทันเงี้ยเหรอคะ คือรู้สึกว่าตัวเองตามยังไม่ค่อยทันก็่ฝึเป็นชิ้นชินนะอ๋อค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อตอนนอนหลับนะคลิกซ้ายคลิกขวาหลวงพ่อรุ้มหมดทั้งคืนเลยค่ะคือเราพยายามตามทันเราคอยรู้สึกในร่างู้สึกบ่อยบ่อยอ๋อค่ะค่ะค่ะกรามนักมศการค่ะนักมศการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีของหลวงพ่อมามาสองสมปีแล้วนะคะอันนี้ส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติก็จะ หลงไปคิดนะคะแล้วก็จิตเนี่ยจะติดอยู่ที่กําหนดนะคะอ mm. ันนี้ก็จะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีคะถ้าเรารู้ว่าติดนะก็ไม่ใช่ปัญหามากแล้จะค่อยๆ ค, ค, คลายออกเพราะการปฏิบัตินะภาษาไทยเราชอบแปแปลคําว่ากําหนดขึ้นมาให้รู้ตามความเป็นจริงไปเลยจิตนี้ไปคิดทราบไหมทราบค่ะนะคอยรู้ทันเวลาจิตนี้ไปคิดเราดูท้องของยุคไปก็ได้ เห็นท้องฟองเห็นต้องยุบใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูสบายๆดูไปแล้วพอจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาให้กันบ้านนะในรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆแต่การที่เราจะหนีไปคิดแล้วเรารู้ได้เร็วเนี้จิตต้องมีเครื่องอยู่อี่าถ้าเราเคยอยู่กับท้องฟองยุบเราก็อยู่กับท้องฟองยุบก็ได้แต่ไม่ได้ดูเพื่อให้จิตไปเกาะที่ท้องไม่ไปกําหนดอะไรหรอก ดูท้องฟองยุกแล้วรู้ทันจิตไปเลยอย่างคนไหนถนัดพุทโธนะก็พุทโธไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตคนไหนถนัดหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตเนืองๆเนี่ยสิ่งที่จะได้มาคือสมาธิางั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้ า, าท่านเรียก ว, ว่าจิตตะศิขาบทเรียนชื่อจิตตะศิขาแล้วทําเราได้สมาธิพอเรามีสมาธิแล้จิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื่อ ก, กับตัวแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นเดินปัญญา ถ้าเดินตัญญาบางคนก็ดูกายบางคนก็ดูเวทนาบางคนก็ดูจิตแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะรู้บ่อยๆวันนี้เรามันไปเร็วว่าไงไม่ การนอสการขลวงพอ่อคือว่าดูจากการตามรู้ตามดูอะค่ะก็จะเห็นว่าตัวเองมีเป็นคนที่เจ้าโทรศัพแล้วก็เผือไปคิดนะคะยิ่งเป็นคนส่งการบ้านนะคะยิ่งคิดหนักเลยค่ะว่าเราจะส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งไหมคือว่าเราจะส่งการบ้านว่ายังไงบ้างอะค่ะก็คือเป็นคนเจ้าโทรศัค่ะดูจากที่ แบบหลังๆเนี่ยจะหลงไปมากค่ะคือเพื่อนนะคะทําอะไรผิดนิดหน่อยเราจะว่าจะเผื่อไปโกรธอะไรเงี้ยค่ะก็ oh. ทําให้เราแบบไม่มีเพื่อนนะคะ oh. แค่เรามองหน้าเพื่อนอะ่ะ mm hmm. เพื่อนก็หาว่าเราโกรธแล้วอ่ะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยฝึกลองฝึกดูะคะ่ะแบบตอนปห้าอะไรเงี้ยค่ะเคยฝึกมาก็ตามรู้ตามดูะคะ่ะกายแล้วก็จิตคะ่ะ mm hmm. ว่าตอนนี้เผือไปคิดหรือว่าตอนเราเดินอยู่เงะะี้ยค่ะ กายเคลื่อนไหวย่างเท้าค่ะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแบบเรากำลังจะว่าเพื่อนง้งปากแล้วก็อาบแล้วแต่แบบเราไม่แสดงกิริยาที่แบบเราไม่ชอบเพื่อนออกไปะคะ่ะก็ทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนก็กลับมาเป็นเพื่อนแล้วะคะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีมากด้วยค่ะงิ้นตัวชีขาดนี่อยู่ที่ตัวเราเอง้ค่ <laughs> ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนเจ้าโทสะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราจะปฏิบัติครั้งหนึ่งอะคะ่ะมักจะแบบทำจริงจังไม่ค่อยเล่นนะคะหนูก็เลยอยากจะรู้ว่าวิหารธรรมหรือว่าจริตของหนูนะคะ่ะตรงกับอย่างไงอะคะ่ะถึงจะแบบดีเราปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องไม่มีโทสะต่บตัวเองด้วย อย่างที่ตั้งใจปฏิบัติมากๆนะบังคับตัวเองแรงๆนะเครียดนะเอออย่าให้เครียดภาวนาไปสบายๆรู้สึกตัวไปดูกายดูใจทำงานไปสบายๆอย่าให้เครียดนะขาดเราเครียดใช้ไม่ได้นะค่ะขอบค่ะกราบรมสารหลวงพ่อครับผมหน่อยเดียวก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่สองครับ ก็หลังจากที่ชื่ออะไรเนี่ยหลอจำไม่ได้เอมครับหลังจากที่ลองไปดูนะครับจะรู้ทันพวกที่เป็นเกี่ยวกับอารมณ์อยากสุขชอบนะครับยังพอรู้ทันบ้าง<ม>แต่ว่าพวกที่เป็นโทสะหรือความโกรธเนี่ยครับคือจะรู้ไม่ค่อยทันแล้วก็จะแสดงออกมาทางกิริยาเลยนะครับเราต้องตั้งใจไว้ก่อนนะทุกวันตื่นนอนมาเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะรักษาสีน้าครับ แารที่เราโกรธแล้วเราล้นออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยสีนเราดังปลอยแล้วครับด<ะ>ังนั้นทุกวันเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะรักษาศีลห้าไหมนะเพราะเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดจิตของเราโกรธได้เราไม่ได้ห้ามถ้าทราไปนั่งสมาธิอยู่นะสามมาสามคืนใครมดาด่ายังไม่โกรธเลยนะแต่พราะเรานี่กระทบอารมณ์นิดเดียวก็โกรธล้ะใช่ครับเพราะเราไม่ได้เก็บกดแต่ว่าเราอยากให้มันล้นออกไปทางกายทางวาจา ตั้งใจไว้กก็คือเหมือนกับว่าพอมันแสดงออกไปปุ๊บกลับมารู้สึกตัวที่หลังครับแล้วกลับมาโทษตัวเองบางทีว่าเออทําไมถึงไปย่ังโทเขาโกรธเขาหรือว่าเขาเสร็จแล้วก็รู้สึกเสียใจครับเสียใจไปโทษใจอีกตัวหนึ่งนั่นเราต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีลทุกวันนะนอนมาก็นึกใจวันนี้เราจะรักษาศีลห้ากลางวันจะกินข้าวเราก็รักษาศีลห้านึกไปเรื่อย ตอนเย็นเราก็นึกิีกเลิกเรียนแล้วเราจะรักษาสีหน้าอีกนึกไปหลายๆรอบต่อไปความเชียดอยากด่าเพราะโทรศัพท์เกิดนะอยากขยับจะดา่ากลายเป็นชมเลยโอ้ oh, ไม่ได้ครั บ, รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือเวลาเห็นอารมณ์ที่เกิดเวลารู้ทันนะครับจะไม่เห็นตอนที่มันหายไปจะรู้ตัวทีตอนคิดเรื่องอื่นแล้วอย่างเงี้ยครั บ, รบสติจิตเราเไม่ค่อยตั้งมัน อครับเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นดับชักที่ด้กยังไม่เห็นเห็นมันหายไปแล้วอันอื่นมันเกิดแล้วถึงเห็นใช่ครับหรือไปไมนเป็นอย่างนั้นทุกคนอ่ะต่อไปจะเห็นอะไรไหวขึ้นมาก็ขาดวักวัๆอย่างนี้เลยครับขอบคุณครับนี่โต้วน่ะน้ำตาการหลวงพ่อครับครับคือช่วงนี้ครับก็เวลาปฏิบัติ คืที่โรงเรียนนะครับก็ใช้ความคิดเยอะมากเพราะว่าเรียนเยอะครับเวลาใช้ความคิดแล้วก็จะคือปฏิบัติไม่ได้ครับเราจะมาปฏิบัติช่วงระหว่างระหว่างเรียนนะครับระหว่างคาบอะครับผมพอพอปฏิบัติแล้วเนี่ยครับเหมือนรู้สึกว่าตอนอาจารย์สอนปฏิบัติไม่ได้นะไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันใช้ความคิดด้วยและมีหน้าที่เรียน พอระหว่งางคาบอะครับพอเราลงมาดูครับรู้สึกว่าตัวรู้มันมันจะแนบแ<ม>นบเข้ามามากขึ้นแล้วก็รู้สึกหนักๆอะครับ<ม>แต่พอเวลาเราปฏิบัติที่บ้านคือมันไม่ใช่ความคิดอะไรครับเหมันก็ตัวรู้มันจะอยู่ห่างห่างกายออกไปครับ<ม>แล้วก็จะรู้สึกเบากว่าครับมันเป็นยังไงก็รู้ไปนะตัวรู้ก็แค่ว่ามันมีอยู่เดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันจะเบาที่ฝึก อ, อยู่สักทีแล้วละ่ะ<อ>ไม่คิดจะบวชหรือ ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกรู้สึกแบบกลัวว่าตัวเองจะก้าวหน้าไม่ทันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเห็นทั้งน้าท่วมบ้างอะไรบ้างไงครับแล้วมันฟุงงซ่านเหมือนบางช่วงเวลาครับจิตมันคิดว่าเหมือนกับมืนกับมันมีเหตุการณ์เยอะครับแล้วเราจะก้าวหน้าไม่ทันที่จะปฏิบัติได้ครับเราฝึกอยู่กับปัจจุบันนี้แหละยิ่งเราอยากยิ่งช้าให้รู้ทันลงปัจจุบันยิ่งมากยิ่งดีก็ไปเร็ว ครับนะถ้าภาวนาโดยหวังผลนนะั่นะช้าไม่ต้องรีบนะแต่ไม่ชี้เกียรดูบ่อยๆก็ใกล้ๆหลวงพ่อแหละเวลาทํางานเนะี่ยไม่ใช่เวลาปฏิบัติเวลาทํางานเราสติสมาธิปัญญาไปจ่ อ, อ ง, งานจดจ่อที่งานนี่ก็ต้องไปจดจ่อกับการเรีย น, นเวลาไม่ได้ทํางานไม่ได้เรียนนะก็มาดูเลยถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ไหวก็ดูกายนะทําอะไรไม่ได้ก็พุโทโธไป ทำสมรรคาครับฝึกไปดีแล้วละ่ะครับฝึกได้ดีมากมากเด็กนี้ค่ะกาบนมมัส ก, การหลวงพ่อค่ะค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะค่ะก็อยากจะถามปัญหาหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้ปฏิบัติอยู่อะค่ะแต่ว่าในการปฏิบัติเหมือนจะมีปัญหาค่ะอย่างตอนเย็นนคะคะจะ เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิก่อนเข้านอนนะคะแต่ในตอนนั่งสมาธิอะค่ะแล้วหนูจะใช้คาว่าพุทโธแต่เหมือนแบบว่ามันมีความรู้สึกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงอะไรเงี้ยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเราแบบว่าเหมือนมันไวมากค่ะยังไม่ทันรู้อะค่ะมันเข้ามาแบบหลายเรื่องเลยค่ะแบบหลายอย่างเลยค่ะไม่ทราบว่ามันจะ แบบนี้มันจะเป็นก็กิเลสมันไวสติเราช้าเราก็ฝึกรู้บ่อยๆต่อไปสติไวนะสิกบางสิ่งแค่ไหวขึ้นมาในจิตนะก็เห็นแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันร้ายมันสุขหรือมันทุกข์มันโลภหรือมันโกรธมันหลงไม่รู้เลยนะเห็นแค่มันไหวตัวเข้ามาสติเราถึงกาขาดไปตรงนั้นเลยตอนนี้เรายังไม่ทันเราหลงเป็นช่วงๆไปฝึกบ่อยๆต่อไปสติก็จะเร็วขึ้น ใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละก็แค่นี้ก็ยังดีนะแต่ตัง้งสุดมากๆ<ะ>รู้จักใจลอยไหมรู้ค่ะเนั้นพุโทโธไปนะไม่ใช่พุโทโธทําอะไรหรอกพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันใจลอยไปที่มันลงไปคิด<ะ>พุดโทโธพุทโธหนีไปแล้พุโทโธบางที่พุทยังไม่โทรก็หนีแล้วให้รู้ทันบ่อยๆรู้ทันแล้จิตจะค่อยตั้งมั่นขึ้นะาสงบเข้ามาสมาธิสําคัญนะเไม่ทําสมาธิเลยไม่ดี ขอบพระคุณค่ะการนมันส ก, การค่ะหลวงพ่อตอนตอนหนูอาบน้ำอะค่ะรู้สึกว่ามันสงบเพราะว่าสติเราได้หันมาดูตัวตัวเองอะคะอ่ะและแบบไม่อาบก็ดูได้นะไม่มีใครว่าเราและและแบบเรารู้สึกถึงน้ําที่มาสัมผัสร่างกายแล้วมันเย็นนะคะและอาบน้าไปเรื่อยเราไม่ได้ดูที่เห็นนะเราดูที่ใจของเรา หรเห็นอย่างน้อยที่สุดนะเห็นร่างกายอาบน้ำนะถ้าดูได้ลึกซึ้งขึ้นก็อย่างอาบน้ําอากาศหนาวแล้วอาบน้ําเย็นใจมันสยองขึ้นมารู้ทันอะไรเงี้ยรู้เท่าไหรให้ถึงใจอากาศร้อนๆได้อาบน้ําเย็นๆนั้นดีใจชอบรู้ว่าชอบอาบเพื่มาให้ถึงใจแล้วแบบว่าเวลาเราอาบไปเรื่อยอ่ะความยินมันไม่ได้คงที่มจาจ้าแบบ ค, ค่ อ, คอยๆน้อยๆลงลวะเวลาเราเช็ดตัวค่ะแบบ มันก็จะหายไปเลยความเย็น <ừ> um และแบบว่าการที่แบบหนูเข้าใจว่าตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไระทุกสิ่งเกิดขึ้น <ừ> um ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ่ะตรงกับที่หนูเข้าใจป่ะคะตรงแต่ว่ามันยังดูข้างนอกนะดับไปนี้เราน้อมกลับเข้ามาภายในโอปะนะอีโกอย่างนนะี้เห็นไหมน้อมกลับมาที่กายที่ใจของเราความเย็นที่รู้สึกเนี่ยยังเป็นของนอกอยู่ใช่ไหมเรารู้ที่ร่างกาย เห็นร่างกายที่อาบน้ําอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะหรือเห็นจิตใจอากาศร้อนได้น้ําเย็นเข้าพอใจรู้ว่าพอใจเรียนให้ถึงกายถึงใจของเรานะค ะ, คะที่หนูรู้ก็ดีอยู่แล้วละ่ะแต่มันยังข้างนอกไปหน่อยอเกเจ็งนะนึกออกไหมเร่างข้างนอกค่ะมนมาสการหลวงพ่อค่ะก็คือหนูทําภาวนาแบบ หลวงพ่อเทียนะคะแล้วพอทําแล้วหลับตาแล้วรู้สึกว่าเห็นเห็นเป็นภาพมือเคลื่อนไหวะะหอ่ะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าที่หนูเห็นนี่เป็นการคิดหรือว่าหนูเห็นจริงๆริงมันรู้สึกอะมาั้งมันรู้สึกไปได้นะถ้าจิตคอยกําหนดไปได้่อยจอบไปมากมากนะก็รู้สึกก็เห็นได้นะทีเห็นทะลุมือเห็นกระดูกในมือเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ สมาธิหนูนั่งไม่ค่อยได้เอานั่งแล้วจห <ะ S 1> ลับค่ะแล้วต่อไปนี้หนูเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันแล้วใจหนีไปคิดนะถ้าเคลื่อนไหวแล้วดูกายก็ได้เห็นตัวที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ใจเราเป็นคนดูนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขาดันการอย่างขยับมืออย่างหลกงเทียนนั้นวัตถุประสงค์หลักจริงๆนะท่านจะให้รู้ทันจิตตนเอง ถ้าบขย่าธาตรู้ให้ตื่นคือขยับมือไปเนี่ยจิตนี้ไปคิดรู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้จะเห็นในมือที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วและจิตเป็นคนรู้อยู่ต่างหากนั้นจุดสําคัญนะขยับมือไปแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดพอได้สมาธิแล้วก็จะเห็นในตัวที่ขยับอยู่ไม่ใช่ตัวเราเหรอกในจิตที่หนีไปคิดก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก ลูกศิษย์อานเก่งกันเยอะยกลับมารา ก, การหลวงพ่อครับคือตอนนี้ก็ปฏิบัติว่าเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันมันออกไปได้หลายทางมากทั้งทางตาสัมผัสหรือว่าหูหรือจมูกมแล้วก็ในส่วนของในใจเนี่ยความคิดครับบางครั้งมันก็ออกไปได้ บ่อยๆอะไรมันก็มากระทบทั้งความคิดอะไรเงี้ยมันมาทบแล้วมันรู้สึกว่ามันเผือมันหลงออกไปแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเพอมันออกไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเรารู้ขึ้นมาเหมือนกับมันมีสภาพที่เปลี่ยนไปเหมือนกับว่ามันไม่มันมีสภาพที่แปรผันไปไม่พิบแตกต่างจากเดิมคือพอมันรู้ตรงนี้บ่อยๆปุ๊บ พอถึงจุดจุดหนี่งมันเหมือนกับว่ามันบอกว่าไอสิ่งสิ่งที่เราใช้หรือว่าดําเนินอยู่เนี่ยเหมือนกับมันก็หมดเวลาของมันไปเรื่อยๆแล้วกัทีนี้พอมันก็มันเหมือนกับพอเราพอใจมันสรุปพอมันใจมันจุดตรงนี้ที่เกิดขึ้นปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันน้อมเข้ามากับสิ่งรอบตัวเราด้วยว่าในทุกวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่หรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ รู้สึว่ามันก็ยำแย่เสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้เหตุการณ์ที่รู้สึกค่อนข้างประทับใจก็คือรู้สึกใจมันมีความประทับใจขึ้นมาก็คือบางครั้งเนี่ยในตอนที่เราเจอใครปุ๊บเนี่ยเราบางครั้งใจเราหลงไปไหลไปหาเขาแต่ว่าบางครั้งตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราชอบเพื่อนคนนี้มากเลยเนี่ยแต่ว่าพอจากกันไปปุ๊บมันก็ เศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยพอเรารู้สึกตรงนี้ปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าพอใจมันน้อมตรงนี้เข้ามาปุ๊บพอมันไหลไปว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายแล้วเรายึดเรงรู้สึกว่าเรายึดกายใจเนี่ยของเรามันก็มันก็เรื่องมันก็หนักอยู่แล้วแล้วเราเอาใจของเราไปฝากเขาอะไรเงี้ยคือมันจะปุ๊บตรงเนี้วมันก็กลับมาเหมือนกับว่ามันทําให้ จะเปนมากก็ติดกับเดือนเป็นปัญญานะจะเป็นปัญญาแล้วก็จะรู้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวแต่ว่าหัดดูของจริงที่ปรากฏบ่อยๆมันจะค่อยๆคลายความยึดถือออกไปอันนั้นมันค้ายๆเราอยางต้องคอยสอนจิตเนีอย่างคิดพิจารณาแล้วแล้วทีนี้พอมันจะเป็นค่อนข้างบ่อยคือจะเป็นในช่วง ช่วงตอนเช้าเช้าไงตอนตื่นนอนขึ้นมาก็ลืมตายขึ้นมาแต่พอจะลุกช่วงที่จะลุกขึ้นมามันรู้สึกรู้สึกพูบๆอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอะไรนะรสึกพูบอ่างเงี้ยแล้วก็มันก็มันเหมือนกับมันก็เหมือนกับจิตมันเหมือนกับมันสรุปขึ้นมาว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้ยังยึดตรงนี้อยู่มันเหมือนกับมันถูกสิ่งที่ถูกบีบมาเมื่อเรายังสึ่งนี้อยู่เงี้ยมันก็จะ เป็นอย่างนี้มันเหมือนกับมันคอยตอกย้ํำเราอยู่มันค่อยสอนนะจิต ม, มันมีปัญญามันค่อยสอนเราได้ค่อยเรียนแต่ดีแล้วแล้วทีนี้นิดนึงครับคือสงสัยตอนอันนี้ความสงสัยส่อนตัวครับคือถ้าเราจเจริญสติดูกายดูใจตามความเป็นจริงเนี่ยคือทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าเหมือนกับเราพอเราได้หลักมาเนี่ยเหมือนกับเราได้ เสียมมาอันหนึ่งเสียมอันเดิมแต่ว่ามันคือหลักอันเดิมแต่ว่ายิ่งดูยิ่งใช้ยิ่งขุดมันเหมันยิ่งลึกเรื่อยๆใช่ใช่ที้ถูกหรือเปล่าถูกเราถึงเราทํากันนานมากว่าเราจะขุดกิเลสออกหมดนะใช้เวลาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฮะดีจิตมันมีปัญญานะมันสอนธรรมะเราได้นะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงครับคือถ้าทําความสงบแล้วมันช่วยให้จิตมัน ตั้งมัหรือว่ามันดูได้ง่ายขึ้นเง<ช>ี้ยใแล้วทําไมเขาถึงไม่ทํากันหรือว่าเรียนความสงบให้มันยิ่งขึ้นไปอีกเช่นทำกระสินหรือทําฌานอะไรใกรกสินมันดูออกนอกมันไม่ย้อนมาดูตัวเองฌานเนี่ยคนส่วนใหญ่ยุคเราเนี่ยทาไม่ได้คนไหนทําได้ก็ดีแต่คนส่วนมากทําไม่ได้ถ้ามัวมุ่งทำฌานแล้วไม่ได้เจริญปัญญาสักที แต่ถ้าคนไหนทำได้ก็ทำมันเลยมีเส้นทางให้เลือกสองเส้นเส้นทางนะเส้นทางของการใช้สมาธินำไปไปใช้ปัญญานำไปก่อนเราต้องดูแต่ละคนตัวเองนะทำสมาธิไม่ได้เลยระวหวังว่าจะทำให้สงบได้ชานแะล้วมาเจริญปัญญาเนะี่ยชาตินี้ไม่ได้เจริญปัญญางนั้นถ้าเราทำสมาธิไม่ได้เราเจริญปัญญาไปก่อนพอเจริญปัญญาพอจิตเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นนะจิตจะสงบมากขึ้น จะทําสมาธิง่ายขึ้นครับแล้วก็ตอนเนี้ยคือให้รู้สึกเขาว่ารู้สึกถึงความที่มันไม่คงที่ออรู้สึกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้สึกคือรู้สึกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นอสุภะหรือไม่อสุภะไม่มีสภาวะรองรับต้องเห็นใจรักษความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ ถ้าเห็นเป็นปฏิคูลเป็นสุภะในเรื่องของสมรถ h กรรมธารมที่ถามหลวงพ่อบอกทำไมเขาไม่นั่งสมาธิกันส่วนมากเขานั่งนะแต่มันเป็นมิจฉาสมาธินั่งเอาเคลิม้มเลิ้มขาดสติหรือนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่ไปออกนอกแต่ถ้าเรานั่งสมาธิถูกต้องนะจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันดูธาตุดูขันดูกายดูใจนี่ทำงานไปเรื่อจะเห็นแต่ไตรลักษณ์ไม่ได้เห็นอสุภะนะ หเห็นใจรักถ้าเห็นใจรักได้จิตจะปล่อยวางได้ครับดีก็นาดีก็ครบทั้งสิบแปดท่านแล้วนะคะที่ได้มีโอกาสส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะฟังเด็กๆแล้วก็รู้สึก <c oughs> ชื่นใจนะคะคนเชียงใหม่นีมาอยู่ที่นี่ <c oughs> ครับกลับขอบพระคุณครับหลวงพ่อไปอย่างสูนครับได้โปรดเมตตานะครับแสดงทําให้พวกเราเราพุทธศาตริกชนนะครับญาติธรรมชาวจังหวัดอนครสวรรค์นะครับได้สดับเอาฟังนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็นําไปสู่หนทางแห่งความสว่างของชีวิตต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปนะครับมีญาติธรรมนะครับได้มา ความเจตุปัจจัยนะครับตลอดจนขึ้นทอยธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนกล่าวนำถวายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปทางบริอีกทีหนึนะครับโดยไม่ต้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวนำถวายหลวงพ่อเนบัตย์เดี๋ยวลยกล่าวตามพร้อมๆกันเลยนะคะ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย <uncheck> ขา้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจะตุปปัจจัยธยธรรมจะตุปปัจจัยทยธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดหลวงพ่อปราโมทปราโมชโวแดหลวงพ่อปราโมทปราโมชโวขอหลวงพ่อปราโมทปราโมชโวขอหลวงพ่อปราโมทปราโมชโวได้โปรดรับ ได้โปรดกลับจตุปัจจัยธรรมจตุปัจจัยทยธรรมกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเธอตราบสิ้นกาลนานเธอ ยะถาวาริวาฮาปุราภิริุเรนตสาครังเอวามวาอิโตจินังเปตา낭อุปกะปติอิจิตังปจิตังจุมหังขิปเมวาสมิตุสัพเทปุเรนตูสังกปาจันโทปรโสยถามณโชติรโสยถาสัพพิโยวิวัชฉันตสัพโรโควินัสตมาเตภวัวันตระโยสุขีทีคาโโภภวะ อาผิวาธนาสีและสนิจจังุทาปัจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพลังสาธุเครื่องกระใจไตรรานนะพอยกให้จัดพจนาเราไปทำประโยชน์นะทำงานเผยแพร่เ่ใช้พระภย่างคสาธุ